ก็เชื่องลงหันมาดูปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบเป็นเหตุเป็นผลนั่นคือเมื่อลมหายใจลากยาวสามารถรู้เห็นได้ช่มชัดจิตก็จะยิ่งผนึกแน่นเป็นปึกแผ่นมากขึ้นทีละน้อยและเมื่อไม่ทำความสำคัญว่านี่คือลมหายใจชั้นนี่คือจิตชั้นแต่เห็นแบบเป็นเหตุเป็นผลว่า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 ความสว่างนวลละ อ, อหายไปเหมือนห้องที่เปิดไฟอยู่ดีๆแล้วมีใครมาปิดพึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นในหนึ่งอึดใจเล็กๆจากนั้นก็ตามมาด้วยความสว่างโคลงมโหรานอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตจิตรวมลงเด่นดวงกว้างขวางฉายสว่างเหมือนการแผดรัศมีของอาทิตย์ยามเที่ยงเหมือนเข้าสู่มิติแห่งความหยุดอยู่กับที่ไม่มีเวลา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 หากนิพพานเป็นธรรมชาติอันพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายสารรเสริญว่าเหนือกว่าสุขในชาญก็แปลว่าผู้เข้าถึงนิพพานย่อมไม่มีภาวะใดเปรียบอย่างแท้จริงตรหนักซึ้งในบัดนั้นว่าโลกปรากฏเป็นของเล็กจ้อยคับแคบก็ด้วยจิตโลกปรากฏเป็นของโอรานพันลึกก็ด้วยจิต